อย่างไรจะเชื่อคนที่บอกว่าเห็นมาจริงถามจะเชื่อได้อย่างไรว่าใครเห็นนลกสวรรค์จริงฝั่งเล่ามาแต่ละคนพูดกันไปคนละเรื่องบางทีขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะพวกที่หลับตาไปเห็นแบบนั่งทางในจะรู้อย่างไรว่าพวกเขาไม่ได้คิดฝันไปเอง ความเชื่อยุคใหม่นั้นมีอะไรประหลาดประหลาดได้ไม่จำกัดบางคนบอกว่าจะเชื่อนรกสวรรค์ก็ต่อเมื่อเห็นพูดผีปีศาจหรือเทวดานางฟ้าด้วยตาเปล่าบางคนหนักกว่านั้นคือบอกว่าจะเชื่อนรกสวรรค์ก็ต่อเมื่อพูดที้เข้าเชื่อด้วยหลักฐานและเหตุผลอันคิดตามได้เรียกว่าเป็นพวกหัวดื้อเต็มพิกัดจะยอมลงให้กับคำภีไหนศา ส, สนาใด ก็ต่อเมื่อมีไข่ป้อนภาพเสียงสัมผัสที่เกี่ยวกับนรกสวรรค์ให้แก่เขาโดยที่เขาไม่ต้องลงทุนทำอะไรเลยขอเป็นช้างกินอ้อยที่ถูกยื่นมาถึงปากเท่านั้นหากเข้าใจว่าคนเราสามารถเห็นนรกสวรรค์ได้ด้วยตาเปล่าก็คงไม่ต่างจากการเข้าใจว่าคนเราสามารถเห็นสัญญาณโทรทัศน์ได้หรือฟังคลื่นวิทยุได้โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องรับ และหากเข้าใจว่าคนเราสามารถระหนักในความมีอยู่ของโรคสวรรค์ได้ด้วยความคิดก็คงไม่ต่างจากการเข้าใจว่าคนเราสามารถล่วงรู้ถึงการมีอยู่ของเชื้อโรคเล็กๆและแกาแล็กซี่ใหญ่ๆโดยไม่ต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์และกล้องดูดาวอย่างไรก็ตามในทางตรงข้ามบางคนก็พร้อมจะศรัทธาภาพเสียงพิเศษบางอย่างรวดเร็วเกินไป เช่นเพียงหลับฝันชัดๆหรือบางคนนั่งสมาธิได้ความนิ่งเพียงเล็กน้อยแล้วเกิดนิมิตต่างๆนานาก็หลงปักใจเชื่ออย่างเอาเป็นเอาตายว่าสิ่งที่ตนเห็นนั้นถูกยิ่งจริงแท้แล้วนำมาขยายให้ผู้อื่นฟังบางทีก็ใส่สีตีไข่เข้าไปตามอัตโนมัติของตนหรือหนักกว่านั้นคือตั้งใจหลอกลวงชาวบ้านให้หลงเชื่อว่าตนเป็นผู้รู้เห็นนรกสวรรค์แจ่มแจ้ง ทั้งที่ทราบแก่ใจว่าตนเป็นเพียงหนึ่งในพวกสิบแปดมงกุฎเท่านั้นก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าการประจักษ์ความมีอยู่จริงของนรกสวรรค์นั้นเป็นเรื่องรู้เห็นเฉพาะตัวพูดง่ายๆว่าเป็นเรื่องที่คนคนหนึ่งต้องสำรวจตัวเองด้วยความซื่อสัตย์ว่าวิธีเห็นของเขานั้นน่าเชื่อเพียงใดสำหรับผู้ฟัง ซึ่งปราศจากยานรู้เห็นนั้นเป็นเรื่องยากที่จะไปรู้ไตของเขาคงได้แต่กล่าวว่าคนรู้จริงเขาสารวจตัวเองกันอย่างไรเขาดูครับว่าขณะนั้นมีสิ่งใดทำให้จิตบิดเบี้ยวเห็นผิดเพี้ยนเหมือนมองผ่านกระจกเวาหรือกระจกนูนได้บ้างหรือไม่หากมีเหตุปัจจัยที่ทำให้บิดเบี้ยวได้อยู่เขาก็จะค่อยๆกาจัดปัจจัยนั้นทิ้งไปทีละข้อทีละข้อ จนกระทั่งจิตกลายสภาพเป็นเสมือนกระจกใสที่เรียบสนิทไม่หลงเหลือแม่รอยขีดข่วนเป็นฝ้าหมัวสักนิดเดียวสิ่งที่ทำให้จิตบิดเบี้ยวไม่อาจรู้เห็นอะไรได้ตามจริงจำแน่เป็นข้อใหญ่ๆได้ดังนี้ 1. สิ่งปิดกั้นอย่างหยาบเช่นความโลภอยากรู้เห็นความโลภอยากเป็นผู้อยู่เหนือมนุษย์ ความเป็นผู้ไม่อาจสลัดความติดใจในราคะความเป็นผู้ไม่อาจหลุดจากความพยาบาทความเป็นผู้มีความหดหู่ง่วงงุนความเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านซัด ส, สายจับไม่ติดและความเป็นผู้คิดลังเลสงสัยกลับไปกลับมาไม่หยุดหากปราศจากสิ่งปิดกั้นอย่างหยาบดังกล่าวมาแล้วจิตก็จะสามารถตั้งมั่นเป็นสมาธิมีความรู้เห็นคมชัด ทรงคุณภาพพอต่อการน้อมไปรู้สิ่งที่เกินหูเกินตาบ้างแล้วสองสิ่งที่ทำให้เกิดความเห็นพลาเพี้ยนเช่นความช่างปรุงแต่งจินตนาการความปักใจเชื่ออยู่ก่อนว่านรกสวรรค์เป็นอย่างไรความตั้งมั่นของจิตที่ไม่ต่อเนื่องสม่ำเสมอ ความลิงโลดหรือคนลุกขนชันในยามแรกเห็นความเพลิดเพลินในปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกในสมาธิซึ่งก่อนิมิตวิจิตตการหากจิตมีความเป็นกลางเที่ยงตรงเหมือนตาช่างที่อยู่ในดุลพอดีปราศจากความยินดียินร้ายใดๆก็สามารถน้อมไปรู้เห็นสิ่งลี้ลับเหนือโลกได้ตามจริง หลายสิ่งจะเปิดเผยต่อจิตอันทรงอุเบกขานั้นแจ่มชัดยิ่งกว่าตาเห็นรูปและหูได้ยินเสียงหากผู้ที่ส่งสมาธิได้เป็นปกติน้อมจิตไปรู้เห็นนรกสวรรค์ได้เป็นปกติไม่ใช่เห็นแบบภาพล้มลุกหรือฟลุกเจอแบบนานทีปีหะะนก็จะมีชีวิตที่ไม่จำกัดอยู่ด้วยกรอบคับแคบของหูตา แต่จะมีชีวิตที่เปิดกว้างด้วยอายตนะรับรู้เหนือมนุษย์คล้ายเศรษฐีที่อาจเดินทางด้วยเครื่องบินเปลี่ยนบรรยากาศไปทุกมุมโลกได้ตามปรารถนาไม่ต้องจำเจ อ, อยู่แต่เฉพาะในเมืองใดประเทศไหนเพียงหนึ่งเดียวเหมือนคนธรรมดาทั่วไปสรุปรวบรัดว่าสำหรับคนธรรมดาทั่วไปที่ยังมีราคะโทสะโมหะเหนียวแน่น ไม่มีเวลาปฏิบัติภาวนาจนเกิดสมาธิผ่องแผ่นั้นควรหมั่นศึกษาให้มากว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษกระทั่งเกิดกุศ ล, ละจิตยอยู่เป็นปกติจิตอันรวมเป็นกระแสมหากุศลนั้นจะบอกเราเองครับว่าถ้านารกมีเราก็ไม่พลานเลยเพราะเราจะไม่ไหลลงนรกด้วยกระแสแห่งอกุศลเป็นแน่ขณะเดียวกันถ้าสวรรค์มี เราก็ไม่รู้สึกแปลกแยกหรือต่ำต้อยเกินกว่าจะเอื้อมถึงแต่อย่างใดเพราะจิตวิญญาณย่อมอุบัติบนสวงสวรรค์ด้วยแรงส่งของพลังกุศลโดยแท้